พันเจปัทวีทัชชาแปลว่าถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังทำให้คนอกตัญญูเนี่ยรักไม่ได้คนอกตัญญูเหมือนงูพิษไม่ใช่มิดดอกหนาอย่าไปหวังถึงให้แผ่นดินหมดไม่ลดชังเผลอก็ยังขบกัดเป็นศัตรูเขาทำชอบมอบให้ยิ่งใหญ่เหลือ ไม่เอื้อเฟือใครหมดมิอดสูแทนจะตอบชอบท่านกระตันยูกลายเป็นงูขบกัดในบัดดลพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอัจารยยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กำมลวันเรืองรัตนาสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับ เรามาเริ่มต้นกันด้วยปัชจญชีวิตเรื่องของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณเรื่องไก่บ้านกับห่านป่าท่านบุฟังวันนี้นะเถีนยนเห่ยเนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีความสามารถคนหนึ่งเขาทำงานสนองพระเดชพระคุณฮ่องเต้ามาเป็นเวลานานหลายปีแต่ฮ่องเต้ก็ไม่ได้ทงสนพระไทยในตัวเขาเท่าที่ควร พระองค์ทรงรับสั่งให้เขาทำแต่งานจุกจุกจิกจิกวันหนึ่งเถียนเหวียวก็เลยหอบเสื้อผ้าสำหรับเดินทางเข้าไปเฝ้าที่หน้าพระที่นั่งกราบทูลห้องเตว้วออ่าข้าพระองค์มากราบลาเพื่อจะเดินทางไปที่อื่นแล้วพระเยกะพระองค์ก็ประหลาดพระไทยก็ถามว่าอะแล้วเจ้าจะไปไหนอ่ะข้าพระองค์จะไปหัดบินให้เหมือนหานป่าพระเยกะจะหมายความว่ายังไง เหเห่าก็กราบทูลว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ไปเะพระองค์คงจะได้เห็นไก่อยู่บ่อ ย, อยไก่นะ้นมันมีงอนอยู่บนหัวแสดงว่ามันมีความรู้ด้านบุญสติปัญญาดีเหมือนกับใส่มงกุฎที่ขามีเดือยแสดงว่ามันมีความรู้ด้านบูเมื่อเผชิญศัตรูก็กล้าสู้เรียกว่ามีความอ่านหาร เวลาเจออาหารมันก็จะส่งเสียงบอกกล่าวกันซึ่งแสดงว่ามันมีเมตตาจิตแล้วทุกๆวันมันจะขันตรงตามเวลาไม่ผิดพลาดกล่าวได้ว่ามีความซื่อสัตย์แต่ไก่แม้จะมีคุณงามความดีครบห้าประการดังกล่าวมานี้แต่พระองค์ก็สงเสวยเนื้อไก่แก้มน้ำจันเป็นประจำวันละสามเวลาในพระทัยของพระองค์ไม่เคยคานึงถึงไก่เลย เพราะเหตุนี้จึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไก่นั้นอยู่ใกล้พระองค์เมื่อเปรียบเทียบกับห่านป่าแล้วห่านป่าเป็นสัตว์ที่บินมาจากสถานที่ห่างไกลแล้วก็ร่อนลงมาที่สระในราชอุทยานของพระองค์มันจับปูจับปลาที่พระองค์ทรงเลี้ยงกินเป็นอาหารจนหมดสิน้นเหยียบย่ำต้นข้าวที่ชาวนาคบปักดำไว้จนย่อยยับ มันไม่มีคุณงามความดีอะไรเลยแต่พระองค์กลับทรงนิยมหานป่าเป็นอันมากทรงสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดทำร้ายมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าหานป่ามันบินมาจากที่ไกลแล้วก็มีจำนวนคนขังน้อยอาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ข้าพระองค์ได้บินเหมือนกับหานป่าเถึงเพอระเอกค่ะขราพระองค์ทูลลาและวพืยอค่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวจีน ซึ่งเป็นเรื่องของเถียนเหยาเอาไก่บ้านกับห่านป่ามาเปรียบเทียบการพิจารณาใช้คนของกษัตริย์ไอกงที่เป็นห้องเต้อยู่ในสมัยราชวงศ์จิวซึ่งเป็นสมัยที่ขงจื๊อนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของจีนออกทำการเผยแพร่ะละทัทธิ แล้วก็เกี่ยวสอนหนังสือให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนั้นที่เมืองลู่มีสิทธิเอกคนหนึ่งของของจือชื่อว่าเจงชำมีอาชีพทางทำไร่ไถนาแต่ก็พยายามใช้เวลาว่างไปเล่าเรียนจากขงจื้อเสมอแม้ในชั้นแรกขงจื้อจะออกปากว่าเจงชำเนี่ยเป็นคนปัญญาทึบไม่ค่อยเสียแหลมและว่องไวเหมือนกับลูกศิษย์คนอื่น แต่เนื่องจากเจงชำเป็นคนมีมานะอดทนแม้ว่าจะถูกของจื้อตำหนิติโทษแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นลูกศิษย์ด้วยกันเยาะเย้ยถากถางต่างๆนาน า, นากว่าตามเจงชำก็ไม่สนใจจะต่อล้อต่อเถียงประกอบด้วยความซื่อสัตย์กตันอยู่ต่อพ่อแม่และอาจารย์ก็ไม่กล้ามีปากมีเสียงกับเพื่อนๆเมื่อถูกใหญ่เย้าวเพราะกลัวพ่อแม่จะได้รับความขุนเคืองเจงชำพยายามหาเวลาว่างจากการช่วยเหลือพ่อทำไรพ่พอเสร็จงานแล้ว พมุมาณนะไปเรียนกับคงจือ้อเกือบทุกวันไม่ขาดทั้งรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนเรียนช้าสมองไม่ไวเหมือกับคนอื่นเขาแต่เจิงชำก็ไม่ท้อถอยและเมื่อการเวลาล่วงไปเจิงชำก็ทําให้คงจือ้อผู้เป็นอาจารย์และเพื่อนๆต้องยอมรับว่าเจิงชำเนี่ยสามารถศึกษาไปได้ไกลกว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเสีอีกเพราะว่าเมื่อสิ้นบุญของคงจื้อไปแล้วเจิงชำกลับได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆเสมอได้ตัวแทนของคงจือ้อ และเมื่อเจงช âm สำเร็จจากสํานักของจือแล้วยังได้นําเอาวิชานั้นมาเผยแพร่สั่งสอนสารุสิท์ในชั้นหลังๆได้ผลไม่น้อยไปกว่าผู้เป็นอาจารย์เรื่องที่แสดงถึงความกระตันยูของเจงช âm นั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ของเขานั่นเองคือครั้งหนึ่งในระหว่างที่เจงช âm กาลังช่วยบิดาทำไร่อยู่นั้นบิดาก็ใช้ให้เจงช â ย้ายพันพักไปยังอีกร่องหนึง่ง แต่เจงช้ำเผลอขุดเอารากใหญ่ฟักขาดบิดาก็โกรธมากจึงเคียนเจงช้ำเลายทีฐานสะเพ่าเจงช้ำได้รับความเจ็บปวดมากกว่าครั้งไหนไหนทั้งหมดแต่เกรงว่าเดี๋ยวมารดาทราบเรื่องแล้วจะเสียใจก็อดการต่อความเจ็บปวดแล้วก็พยายามหาทางปิดบังไม่ให้มารดารู้โดยแกล้งทําร่าเรืองเอาพินมาดีดเล่นเพื่อให้มารดาเข้าใจว่าที่ตนถูกทําโทษนั้นไม่ได้ละลายเครื่องแต่อย่างใด ในชั้นแรกเมื่อของจื้อไม่รู้ความในก็ตําหนิเจงชำว่าการที่เจงชำทาอย่างนั้นเป็นการเย่ะเยยบิดาหรือว่าประชดบิดามากเกินไปไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกอกคตัญยูอ่าเจงชำต้องอธิบายให้ขงจื้อทราบความจริงจึงรอดพ้นจากการตําหนิและเกลียดชังจากขงจื้อและต่อมาอีกวันหนึ่งเมื่อบิดาออกจากบ้านไปทําธุระและเจงชำเข้ามาในป่าหาฟืนก็เอิญมีแขกมาหาบิดาที่บ้านและไม่พบ ก็ตั้งใจจะพูดธุระกับเจงชำแต่เจงชำก็มาอยู่ที่บ้านก็คงมีแต่มารดาของเจงชำคนเดียวมารดาของเจงชำไม่รู้จะต้อนรับแขกยังไงเพราะแขกเสียเวลารออยู่ตั้งนานก็ยังไม่เห็นพ่อหรือลูกกลับมาเลยมารดาของเจงชำก็ตั้งจิตนึกถึงลูกนึกถึงเจงชำแล้วก็กัดนิ้วมือของตนเองจนเลือดไหลขณะเดียวกันเจงชำซึ่งกําลังหาปืนอยู่ในป่าก็เกิดรู้สึกเจ็บบูบขึ้นมาที่ทรวงอกปราบขึ้นมา เจียงชำยังคิดว่าบางทีที่บ้านคงจะมีเหตุอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแน่และเกี่ยวกับตัวเขาเจียงชำก็รีบหอบปืนเท่าที่หาได้ในเวลานั้นเพียงเล็กน้อยกลับมาบ้านทันทีเจียงชำกลับมาถึงบ้านวางปืนกองไว้หน้าประตูแล้วก็เข้าไปคุกข่าวตรงหน้ามารดาแล้วก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหรอมารดาของเจียงชำก็เล่าให้ฟังว่ามีแขกมาหาที่บ้านแล้วก็รออยู่นานไม่มีใครกลับมาเลยมารดาก็ไม่รู้ว่าจะรับรองแขกยังไงดี ก็กลั้นใจกัดนิ้วของตนเพื่อให้บุตรอันเป็นสายโลหิตของมารดาระลึกถึงแล้วก็รีบกลับมาและบัดนี้เจ้ากลับมาแล้วแต่แขกคนนั้นเขากลับไปเสียก่อนแล้วเจงชำเห็นมารดามีบาดแผลที่นิ้วก็รีบไปหายาสมุนไพรามาพอกมือให้มารดาทันทีแล้วก็ดูแลปณิบัติมารดาเป็นอย่างดีจนกระทั่งบาดแผลของมารดาหายสนิทความเรื่องนี้รู้ไปถึงของจือผู้เป็นอาจารย์ ข, ของชื่อก็ออกปากชมเชยว่าเจงชำเนี่ยเป็นลูกที่รักแม่แล้วก็กตันยูต่อแม่อย่างแท้จริงเจงชำ ม, มันดูแลปฏิบัติบิดามารดาของเขาตลอดมาจนกระทั่งสิ้นบุญของท่านทั้งสองเจงชำก็จัดแจงศพของบิดามารดาให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นที่ชื่นชมแก่ญาติมิตรแล้วก็คนในละแวกนั้นประจักษ์พยานที่ปรากฏแก่ชนชั้นหลังๆถึงความกตันยูต่อบิดามารดาของเจงชำก็คือ หนังสือที่เจงชำเขียนขึ้นเจงชำแต่งหนังสือที่ว่าโดยความกตัญญูกตวีธีต่อบิดามารดาของบุตรว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรหนังสือนั้นชื่อว่าหาวเกี้ยรหรือว่าบุตรที่ดียังคงเป็นหนังสือประเภทศีลธรรมที่ชนชั้นหลังๆได้ใช้เป็นแบบเรียนกันโดยตลอดมาครับที่นี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องพระคุณของแม่ เรื่องนี้เกิดแผ่นดินพระเจ้าสุนกวนในยุคสามก๊กตอนปลายมีขุนนางผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งชื่อแม่งจงทำหน้าที่เป็นเจ้าพนัก ง, งานควบคุมภาษีเกลืออยู่ที่เมืองโหนประวัติของแม่งจงมีอยู่ว่าเมื่อเล็กเป็นคนกัมพาบิดาก็เหลือแต่มารดาคนเดียวมารดาเป็นคนมีความคิดสุขุมรอบคอบแต่พยายามถ่ายทอดความประพฤติอันดีงามให้กับแม่งจงผู้เป็นลูกตลอดมาส่งแม่งจงไปเล่าเรียนที่สำนักของลีซก เป็นนักเรียนกินนอนประจําอยู่ที่นั่นอาศัยที่มารดาของแม่งจงยังมีทรัพย์สินเป็นหลักฐานอยู่บ้างก็สามารถส่งบุตรไปเล่าเรียนในเมืองได้มารดาก็เย็บที่นอนและผ้านวมขนาดใหญ่ให้แม่งจงติดตัวไปด้วยเมื่อมีคนถามว่าแม่งจง n น่ะเป็นเด็กตัวเล็กๆแค่เนี้ยทําไมต้องเย็บที่นอนแล้วก็ผ้านวมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถให้ผู้ใหญ่หม่มแล้วก็นอนได้ถึงสองคนให้แม่งจงไปใช้มารดาแม่งจงก็อธิบายว่าข้าพเจ้าเป็นคนไม่สู้จะมั่งมีนัก จึงต้องทําที่นอนขนาดใหญ่และผ้านุ่มกว้างๆเพื่อไว้ให้ลูกไปใช้เพื่อหวังจะให้ลูกมันเรียนให้สําเร็จโดยเร็วหากแม่งจงเป็นคนเฉื่อยชาเกียรครั้นหรือว่าเล่าเรียนนานนักจนผ้าหม่มและที่นอนขาดปุบเปื่ปปอยก็ไม่มีปัญญาจะสร้างให้อีกแล้วแม่งจงไปอยู่สํานักเรียนแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจเล่าเรียนอย่างขมักขมัน แล้วก็มันปฏิบัติตามคำครูที่สั่งสอนและตามคำของมารดาที่มีหนังสือไปคอยตักเตือนอยู่เสมอก็เลยทําให้ครูอาจารย์รักใคร่เป็นพิเศษอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันปิดภาคเรียนแม่งจงก็กลับมาเยี่ยมมารดาประจวบกับเป็นเวลาที่มารดาของเขาเกิดป่วยลงแม่งจงก็เ้าปรนิบัติพยาบาลมารดาแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเกือบสัปดาห์เต็มๆมารดาก็ค่อยรื้อฟื้นจากอาการป่วยแล้วก็ยังไม่สู้จะแข็งแรงนัก บางเอิญก็อยากจะกินหน่อไม้ไผ่ตรงขณะนั้นเป็นเวลาฤดูหนาวไม่มีใครนําหน่อไม้มาขายเพราะว่าหน่อไม้หายากเม่งจงออกไปตระเวนหาซื้อจนทั่วตลาดและตามหมู่บ้านที่ปลูกไผ่ก็ไม่มีก็ทําให้เม่งจงเสียใจที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือมารดาในสิ่งที่มารดาต้องการได้เม่งจงก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหากอไผ่ริมทางแห่งหนึ่งแล้วสํารวมจิตอธิษฐานขอหน่อไม้กับลู ก, กเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในกอไผ่ แล้วก็ร้องไห้อ้อนบอลขอให้เทพพยดาฟ้าดินช่วยเหลือให้เขาได้หน่อไม้ไปให้มารดารับประทานในบัดดนั้นเองก็ปรากฏมีหน่อไม้ผุดขึ้นข้างกอไผ่ขึ้นมาหลายหนอ่อเม่งจงเห็นอย่างนั้นก็ดีใจตื่นเต้นรีบลงมือผุดเอาหน่อไม้นั้นกลับไปบ้านแล้วก็ปรุงเป็นอาหารให้มารดากินเมื่อมารดาได้กินหน่อไม้แล้วก็มีอาการกระปี้กระเปล่าแข็งแรงขึ้นเหมือนคนธรรมดาแล้วก็หายป่วยหายไข้ดังปิดทิ้ง เม่งจงเห็นมารดารับประทานหน่อไม้และมีอาการดีขึ้นก็ดีใจคุกข่าวลงขอบคุณเทพยดาฟ้าดินที่เป็นใจช่วยเขาทั้งนี้อาจจะเป็นได้วรุษคเทวดาในที่นั้นได้เล็งเห็นความกตัญญูของแม่งจนอย่างหนักนั่นนั่นเองแม่งจงกลับไปเล่าเรียนต่อจนกระทั่งสมเร็จกลับมาอยู่รับใช้ปฏิบัติมารดาชั่วระยะหนึ่งก็ไปสมัครเข้ารับราชการเพื่อหวังจะเอาเงินเดือนมาจุนเจือทางครอบครัวเพราะขณะนี้ฐานะทางครอบครัวร่อยหรอลงไปมาก ก็ไม่ถึงก็จะยากจนทีเดียวเม่งจงไปรับราชการในเมืองหลวงอยู่กับพระเจ้าสุนกวนด้วยความซื่อสัตย์ขยันมันเพียนได้เลื่อนเป็นขุนนางตำแหน่งใหญ่คือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเต็มในการควบคุมพิกัดอัตราภาษีเกลือของพวกชาวนาเกลือตามหัวเมืองต่างๆเม่งจงก็ส่งปละเข็มอย่างดีไปให้มารดาแต่มารดาไม่รับกลับส่งคืนแล้วก็มีหนังสือมาตาหนิว่าลูกเป็นเจ้าพนักงานภาษีเกลือ แต่ที่ส่งปลาเค็มไปให้แม่นั้นแม่ดูไม่ชอบมาภากลเพราะจะได้ชื่อว่าไปเบียดเบียนเอามาจากรัศดรได้แม่เห็นไม่เหมาะจึงได้ส่งกลับคืนมาต่อไปขอลูกอย่าส่งไปให้เพราะว่าเราสามารถหาซื้อกินเองได้และขอให้เจ้าจงรักษาความดีไว้ประดุดเกลือรักษาความเค็มอย่าเห็นแก่อมิสินจ้างหรือการกระทาที่ไม่ถูกต้องไปนันขาดด้วยรักและหวังดีจากแม่ เม่งจงได้รับหนังสือของมารดาแล้วก็ไม่ได้ว่าประการใดเขาคงพยายามปฏิบัติตนตามที่แม่ตักเตือนทุกประการผลแห่งความซื่อสัตย์และความขยันมันเพียรรวมทั้งความกตันยูต่อมารดาของเขาก็ส่งเสริมให้เขารุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นลําดับเขาเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ชนชั้นหลังๆให้ยึดถือปฏิบัติตามมาจนกระ ท, ทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับ สวัสดีครับ